เอ่อสําหรับก็ว่านิพพานัสสะสติ โดยละหน้า 15 บารมี 10ๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันๆ นี่หมายความนี่ รักษาพระวินัยศีลขารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควร 2 3 คือพิจารณาอาหารีปฏิกูลสนิยาไม่เมา สมถะกับภาวนาวิปัสสนากรรมฐานให้ทรง สเจจิตตปะทยโยทะปันนังทำจิต อัตตะเกรงฟังมาแล้วด้วยดีปฏิบัติดีด้วยผลของความ ไอ้ๆไม่มีอะไรอันนี้มันเลวเนี่ย เอเล่วัลโลลุทายีนี่อย่านี้อย่าให้ ตั้งแต่ลืมตารู้สึกตื่น คือว่าเห็นว่าทุกอย่าง 1 2 3 นี่อาการที่จะไปนิพพานนิพพานัสสะที่บวช เอาเขาบวชนี่เขาบวชแล้วก็บวช พอในเมื่อลูกทําไม่ดีความชั่วถูกผู้ โทรไม่ไว้แล้วบอกพ่อบอกอ้าวพระ อีตอนนี้เองท่านพ่อท่านแม่ท่านลูกครูวิ่ง ถ้าเรานี่ต้องมีจรณ 15, 15 ครบถ้วนทุกอิริยาบถแล้วก็ คนไปได้ทันทีไว้กลับไปเลยไปๆจัดจัดจัด คนเลวต้องการคนดีเดี๋ยวเมื่อมันไม่ดี ถ้าคนดีเค้าอยู่ตั้งแสนตั้งล้าน มีความโลภได้ตัดเหตุการณ์ให้ เพียงขับไล่ความชั่ว อริยฐานตั้งใจว่าจะเพาะว่าวาง 5 1 ขันธ์ 5 มันจะเป็นยังไงก็ช่าง ไม่ฟืนไปยังไงแล้วก็ทํา นี่เป็นจุด 1 ที่เป็นที่เรียก ที่เราอยู่ตอดน่ะมาร์ติวังคือว่าการระวัง ถ้าเราละทันได้เราตัดได้กิเลสๆ นี่เคยอนัยคันธวรรคที่พระ ว่าขันธ์ 5 คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ เกลันเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรม เพี้ยนสัตว์แต่ว่าอาศัยอยู่ไม่เราๆ นี่เขตนิพพานจริงๆแล้วก็ต้องมันมีบันได เทวะบันไดไปนิพพานเรามี 10 ขั้นเท่านั้น เขาใครจะไปไงก็เชิญเข เป็นเหตุ 3 อะไรความเชื่อ 4 ความ 5 5 เรียกว่าโอรัมเอ่อภากิยะ 6 รูปราคะความ ความติดใจอยู่ใน 9 อืมยุ่งจังว่าตามแบบท่านยุ่ง ทาง 10 อย่างนี้ตัดตัวเดียวคือตัด จึงกล่าวว่าพวกเธอจงพิจารณาคัน 5 อัตภาพร่าง เธอก็เป็นสกิทาคามีท่านถามว่าว่าผมเป็นสกิทาคามีแล้วจะ ท่านปัสสริโภตอบว่าไม่ใช่พระๆ ศักตะว่าบวชแล้วก็จะมา อีกกี่ 6 ศีลอปตปรามาจ 227 มัน 227 ไม่ 227 แล้ว เป็นอรรภัติอย่าไปสนใจอะไรมันมันขาดแล้วมันลงนรก นปุณีวังจินดยศสามิข้าพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้ นี่ถ้าว่าเราจะเป็น มีความคิดเห็นเข้าใจว่าสินเนี่ยเป็นปัจจัยของความสุขคนใดมีสินเขานั้นมีเบามีความสุขคนไหนบกพร่องในสินมากมีความทุกข์มากบกพร่องในสินน้อยมีความทุกข์น้อยเรายึดมั่นในสินเป็นสำคัญแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอย่าตายเพราะนักกำลังใจที่เราส่งสินแล้วก็มีความสุขอย่างน้อยเราก็เป็นคนชั้นดีหรือเราก็เป็นเทวดา อย่างนี้เป็นปัจจัยของพระโสดากับมัน เป็นเครื่องทำลายความสุขทำลายมิตร บวกกับสกายทิฐิๆไม่เข้า 2 ตัว 5 น, 5 อีก 5 เล็กๆรูปราคะเล มีความรู้สึกว่ารูปิชาดนี้เป็นกำลังพยายาก้าไปสูกความเป็นอรรหารเท่านั้นไม่ใช่วารูปิชาดเป็นของวิเศตเกินไปไม่ยับยังอยู่แค่นั้นอารูปราคาไม่หลงไหลใหฝ่ McNuttungい ฝันอยู่ในอารูปิชาด ว่าombiชาดตายเป็นอารูปปภ เราก็ใช้อรูปฌานเป็นกําลังเข้า <c oughs> <c oughs> นว่าเลือกการถือตัวถือตนไว้ใคร ผู้ได้จักอารมณ์โอ้ แล้วก็ราคะการเห็น เอยสมกับสมัญญาที่กล่าว สำหรับวันนี้เวลาสวัสดี